สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยวินเนอร์99าสายของคุณคิงครับหรือว่า King of Ghost ของเราวันนี้มาปิดท้ายตีหนึ่งครับอีกประมาณ33นาทีครับแถมมายาวๆเลยฮะวันนี้คุณคิงจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับหอพักครับ เป็นหอพักของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็แล้วกันใช้ชื่อเรื่องว่าอยู่แบบจำใจเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่าคืนวันนี้จากสายของคุณคิงครับแล้วตอนนี้คุณคิงอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณคิงเอาโอ้โหวันนี้เสียงกล้องมากคุณคิง <Se> เสียงอูกล้องมากมากฮะเหมือนเหมือนเหมือนคุณคิงโทรไกลโทรศัพท์มาก อ, ะอ่ะอ่าัโหลโครับอ่าดีขึ้นดีขึ้นนะครับเมื่อกี้เหมือนแบบคุยไกลๆเลยกลัวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะไม่ได้ยินเรื่องที่คุณคิงเล่า <c oughs> มันต้องแกแล้วพี่มันจะเป็นมนเป็นเสียงกล้องตลอด น, นั้นที่ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ โทรศัพท์ผมก็เปลี่ยนแล้วแมวแมวบอกเลยเปลี่ยนแล้วแต่อันนี้เาเปลี่ยนแล้เขาแซวเยอะเอ๊ะคุณคิงน่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์ได้แล้วอะไรนี่เปลี่ยนเรียบร้อยนะถึงขนาดบางคนคอมเมนต์ลงขันเลยผมนะมีตารางผเปลี่ยนแล้วออใไหมครับแซวเล่นแซวกันเล่นแซวกันเล่นแต่ตอนนี้เสียงเสียงเสียงเคลียร์ละเออนะครับมาครับคุณคิงเราไม่ต้องพูดพ่างทำเพลงอะไรกันแล้ว มาปิดท้ายกันในค่ําคืนวันนี้เอาให้สุดกันไปเลยฮะเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง อ, อผมไม่ได้ถามปีเขาเจ็คเป็นเรื่องของคุณยุอ๋อเขาเล่าให้คุณคิงฟังใช่ใช่แวโอเคคุณอะไรนะฮะคุณยุครุคณยุเนาะโอเคคุณคิงครับคุณยุเล่าให้ฟังว่ายังไงเชิญเลย ก่อนไปเรื่องอื่นนะผมขอขอบคุณทุกคนก่อนได้ไหมครัผมว่าจะถามอยู่โทษโทษทษเรื่องเรื่องอ่าพระที่จะมีการไปไปส่งอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้นะครับฉันแฟนเดโกสน่ารักมากเลยอ่ะพอผู้จัดประกาศอยาให้ผมเนี่ยก็เข้ามาแบบเรื่อยๆนะคนละหน่อยสองหน่อยนะจนครบค่ะพอผมครบแล้วเนี่ยก็จะมีบางคนเนี่ยฝากผมไปถวายเทียนต่อเลยนะเหมือนกับว่า เอาเทียนไปถวายเข้าบรรษาพร้อมกับพระพุทธรูปองค์นี้ไปเล ย, ยเป็นบรรษาแรกเนี่ยดีดีดีครับก็ช่วยกันจะตัต้งพุทธมรดกาสนแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับส่วนตอนเนี้ยขั้นตอนเนี่ยเมื่อวันก่อนผมเพิ่งไปขอนแก่นมาครับไปคุยกับพระเรียบร้อยแล้วแล้ ว, ลวก็กําลังหาชที่จะก่อฐานรองรับตรงนั้นพอเกาะเสร็จปุกบเนี่ยผมยกของไปติดยกพระฟ้าไปติดแล้วกรตั้น แล้วจะเอาฐานที่เราปั้นเป็นลายไทยแล้วเนี่ยไปยิงใส่เลยยิงใส่ก็จบเนี่ยครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราร่วมกันทำบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับกับคุณคิงด้วยนะฮะที่ <ผม S 1> ที่มาบอกบุญพวกเราชาวเด e g โ o ส t r ดี i o อครับอนุโมทนาุเรื่อง<ร>ของ <ผม S 2> รูปถ่ายแล้ววันที่ถวายเนี่ยผมจะประกาศแล้วก็จะขออนุญาตแท็กขึ้นตรง หน้ากระดานพี่แจ๊กเนาะได้เลยครับได้เลยครับแต่ว่าทํำไมผมถึงไม่ประกาศก่อนผมผมได้แจ้งเจตจงนงกันบนไอ้ขนาดแล้วว่าคือเรื่องมันมันเคยมีไงพี่แจกเมื่อก่อนผมไปทำที่ชายาภูมล้วเนี่ยพอเราประกาศเนี่บางคนไปหาเราเราเข้าใจเขาอยากเจอผมมาเนาะเขาไปบางคนก็แต่งตัวไม่สุภาพบางคนก็ใบรุ่นแหละถึงดังแล้วเหตุการณ์คราวนั้นต้องพี่จะกรุนแรงขนาดตีกันออใบรุ่นตีกันนะก็เลยงานล่มไปตั้าแตนั้นผมเลยบอกกับติงว่า ทำเสร็จล้วงานจบแล้วผมจะบอกแล้วก็จะเป็นที้ทุกครั้งนะครับผมจะมีรูปขึ้นให้ให้ดูแน่นอนให้ชมกันทุกท่านเลยครับไคนเทียนเนี่ที่ถวายมาเนี่ยไม่ใช่ว่าบางท่านบอกโอจําเป็นต้องเป็นเล่มไหมบางท่านก็ร้อยหนึ่งสองรอยางแล้วเอาเป็นรวมเป็นเทียนต้นใหญ่ถวายไปทีเดียวเออนะฮะทําบุญเท่าไหร่ทําบุญมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากแล้วแต่จิตศรัทธาใช่ใชครับผมเออได้ได้อนุโมทนาบุญด้วยนะคุณคุณคิงนะ ครับสารู้สารู้สารูา้ครัเอาละฮะมาคุณคิงมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นยังไงมันเป็นเรื่องขั้นๆ น, นะพี่ <c oughs> แต่ว่าผมฟังแล้วแล้วผมเห็นรูปแล้วเดินหลังรายการโอเคพี่แจ็คไม่ไม่เอาขึ้นอยู่แล้วเนาะเดอนหลัรายการผมจะส่งรูปให้ผมบอกพี่แจ็คเลยว่าไม่อยากเชื่อว่าที่นี่เรียก ว, ว่าหอพักนักศึกษาโอ้โหสแสดงว่ามันย่ำแย่มาก โอมโหที่จริงสุดๆอะผมเห็นภาพแล้วผมถามย้ําแน่ใจนะนี่หมอพักเขาบอกนี่เราหมอพักที่แลียว่าอย่างเงี้ยเออเออออได้ได้ได้ได้คือคุณยุ้เนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังนะเหมือนไม่ปฏิปัสสอนเราแต่ผมย้ำย้ำยืนยันได้ว่าเขาเองเนี่ยเป็นนักศึกษาเข้าเปรียญที่นี่อยู่แถบอีสานนะครับแต่แถบแต่แถบจังหวัดอะไรเนี่ยผมเน้นไม่ได้เลยออืเพราะว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่แคบมากแล้วแล้วมาหาอะไรเนี่ยแล้วเรื่องที่เกิดเนี่ยคุณยุ้บอกถ้าพูดคุบเนี่ย รุ่นน้องผมทุกคนรู้เลยเพราะ ม, มันไม่ใช่มีแต่ผมโดนไงถ้าอยู่คณะเดียวกับผมโดนทุกคนครับ<ะ>แล้วกฎเกณฑ์ของการเข้าไปเรียนที่นี่นะครับมหาลัยเนี่ยนะพี่มีการบอกนะว่าเฉพาะคณะนี้นะปีหนึ่งต้องอยู่หอในคราับนะครับถ้าใครเป็นคนที่เรียนมหาลัยนี้มาก่อนหรือว่าเคยได้ยินจะรู้ละปีหนึ่งต้องอยู่ ห, าาหอในแล้วหอในที่ว่าเนี่ยอพอส่งรูปให้ผมดูผมก็ว่า มันก็สมควแก่การบังคับแต่ถ้าไม่ไม่บังคับก็คงไม่มีใครไปอยู่ออแล้วพอพ <c ười> อคุอยูเข้าไปอยู่เนี่ยเขาได้ยินเรื่องข อ, อ, เองเรื่องของวิญญาณมานานมากเรื่องนู้นนี้คนอืนพูดตัวเขาเองเขามีความกลัวอยู่แล้วไ <Dollar. S 2> งเขาเขาพยายามที่จะไม่ใส่ใจแต่ตกกลางคืนเนี่ยบางทีเขานอนอยู่คือห้องเขา จ, จะมีเป็นหอเขาเนี่ยห้องเขาจะมีเรียงต่อๆกันแหะประมาณสี่ห้องครับอ่าเขาจะอยู่ตรงกลางอืท่านี้ เขาก็จะนอนแล้วเขาจะได้ย er> ินเสียงเหมือนกับเปตงมางนะพี่แจ๊อ้อปึ้รุนปุ่ยปึ้งปุ่ยปุ่ยปุ่ยุ้ปุ่ยปุ่ยปุ่ยใครดนตรีตอนดึกวับเขาก็ไม่ใส่ใจอะไรที่เพราะว่าคณะเขาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผู้ดนตรีเลยอืมไม่เกี่ยวเลยนะคณะอะไรเนี่ยเขาถึงขนาดบอกว่าขอญาตไม่ให้บอกคณะด้วยครับเพราะถ้าบอกคณะเนี่ยรู้ทันทีมันอะไรนี่แคบมากอืม ได้ยิเสงอย่างนั้นเขาก็เริ่มมีความกลัวจนเริ่มสำรวจเริ่มถามคนอื่นเขาบอกไอ้จริงๆนะที่เนี้ยมันหนีงนี่นะอ๋อถึงว่าทำไมมันถึงได้มีการบังคับกันครับเลยเริ่มสำรวจที่อยู่ตัวเองแหละไอ้สามสี่ห้องข้างๆก็ไม่เคยอยู่ห้องเลยไม่รู้ใครก็ไม่รู้ไม่เคยทำควารู้จักกาันอาจจะเป็นควารู้ตักกันมาอยู่ห้องเนี้ยก็ไม่รู้หรือว่ามันมาอยู่โดยชื่อมันแต่ตัวมันอยู่ข้างนอกก็ไม่รู้ครับ ไม่รู้อะไ ร, รนั่ไหม น, นะตัวเองอยู่ห้องคนเดียวเลยออืแล้วในห้องน้ํานะครับจะมีรูอยู่รูหนึ่งที่อยู่เหนือประตูห้องน้ําคือเดินเข้าไปแล้วอย่างขึ้นไปเจอเลยอะพี่เขาจะกลัวรูนั้นมากเขาบอกเวลาเข้าห้องน้ำเขาต้องกระโดดแบบเฮ้ยแล้วก็กระโดดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยทาเสียงดังให้ตัวองมีความระดมกำลังใจนะพอเวลาจะออกก็แบบเฮ้ยทําเสียงดังแล้ววิ่งออกไปเงเพื่อให้ตัวเองอ่ะไม่กลัวอแต่จริงยริงในการกดทำให้ตัวเองกลัวเข้าไปไเยอะเลย จนวันหนึ่งเขาได้นั่งคุยอยู่กับโทรศัพท์ดิบแบบเขาเรียกว่าเพื่อนเพื่อนหญิงไม่ได้เป็นแฟนกันอยอางมันคุยกันว่าเราะเรียนมาอยู่แล้วมันก็อย่างเงี้ยเงี้ยแล้วเพื่อนหญิงเขาบ ก, ก็ได้ยินมานะไวหอในของคณะเนี้ยเนี้มันมีนี่นี่ตาของคุณยู้งเขาเนี่ยในขณะที่เขามองออกไปนอกหน้าตา่างครับเขาเห็นมีเด็กคนหนึ่อซึ่งมันเป็นเวลากลางคืนละที่แล้วนี่มันมาหาลัย มันไม่น่าจะมีเด็กขนาดนั้นอะประมาณสักสี่ห้าขวบอ ะ, อะค่อยๆใส่ใส่ส่ขึ้นไปจนถึงขอบด้านบนแล้วก็โดดขึ้นบนหลังคาครับของห้องสังตรงค่ามันเขามองอยู่ว่าเฮ้ยแล้วเขาก็เฮ้เธอเนี่ยเราเห็นอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยไหนไปดูสิข<อ>เขาก็กงฟังผู้หญิงบอไปดูเขาก็เลยเดินตามไปแล้วก็ไปดูเด็กมันวิ่งกระโดดจากหลังคาหลังนึงไปหลังนึงแต่งี่มันมันไม่ใช่วิสัยที่เด็กสี่ห้าขวบมันทําได้อ่ะ เขาก็เริ่มถอยตัวกลับมานอนว่ามันคืออะไรวะแล้วเรายิ่งปึ้งปุ้งปุ้งปึ้งปึ้งปึ้เหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจนอนความกลัวของเขาทําให้เขาเนี่ยเริ่มไม่อยากอยู่แล้วแล้วเพความกลัวมันเข้าในใจยงมากๆจิตคนเรามันเหมือนจะหลออหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่วันหนึ่งหลังจากที่เขากลัวและสงสัยที่ไอ้รูนี้มานานอะความที้เขาเจอเหตุการณ์เนี้ยเขาเลยพยายามที่จะไม่อยู่แลอวเขากลับเข้ามามองไปที่รูนั้นพอดีเลยตาไปเห็นพอดีเลยเปิดประตูเข้าไปมั้อ มีผมคนค่อยๆห้อยลงมานี่อุ้ยเป็นผมคนใช่บางหย่อนลงมาจากรู่ค่อยๆห ย, ย่อนลงมาประมาณครึ่งเลยเขาก็โดดถอยออกแล้วเขาก็บอกเอ้ยแมวลุ้ยปิ้งออกไปตามเพื่อนรุ่นพี่มาเ<ช>พื่อนรุ่นพี่เขาจะมีแบบเขาเรียก ว, ว่าพวกเก็กเขาเลยเกเรเลยนานๆทีเขาจะมาแบบไอ้น้องเล่าซัแบแดนห น, นึ่งยี่สิบหรือสามสิบบุรี่สักสองมวนเนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเล่าว่าพี่เนี่ยผมเจอเงี้ยเลยไม่มีหรอกบ้าเปล่าพี่ผมพูดลังจริง เขาก็พาไปดูพี่ๆนี่ก็มาเมาหน่อยนะพี่เข้าไปดูเลยเดี๋ยวถ้าไม่มีเออพี่เข้าไปดูที่ือบพี่ๆนั้นเปิดเข้าไปคันนี้ไม่ใช่แค่ผมอลไรพี่แจ๊มันมีน้าผากลงมาถึงจมูกกับมันค่อยหัวลงมาอจากรู้นั่นแหละแล้วเขาก็เฮ้ยอะไรวะรุ่นพี่ก็พากันวิ่งออกมาแับไปอยู่ของาแล้วเขาก็บอกว่าพี่ผมไม่อยากอยู่แล้วอ่ะรีบไปหาน้องแบบตัวอื่นที่แบบน้องในคณะเดียวกันเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยที่เขา อยู่หอวิ่งเลยเลิดไปนู่นเลยนะแต่หอมันได้มีการรักษาความปลอดภัยแต่ผมส่งรูปวิจัยดูเด๋ยว<ถ>ส่งให้ทีบัตแล้ววิจัยค่อดูนะมันไม่น่ารักษาเลยอนะ่ะแล้ ว, วผู้ผู้หญิงเขาก็รวมตัวอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เกาถามว่าทําไมมาอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บอกพี่พี่นี่คืู้หลว่ามาอยู่ที่เนี้ยมันเป็นยังไงผู้ผู้หญิงที่ต้องรู้ดิเพราะบอกก็เพิ่งเจอมาไก่เนี้ยเขาซื้อไปที่คนยู่งนะจะเพิ่งเจอมาไก่กเนี้ยตอนนี้แหละแล้วพวกน้องเราเป็นอะไรมารวมอยู่ที่นี่กันวะ คือผู้หนูอะไม่รู้พี่จ e ะเจออะไรมาห่ะอไม่แต่ผู้หนูใจหนักกว่ผู้พี่แน่นอนครับผู้หนูเจอมายมาืนตรงข้างหน้าต่างมายืนหน้าเปื่อยเลยนะอืมมายืนหน้าเปื่อยเพราหนูเห็นในขณะที่หนูกำลังดูหลังกันน่ะแก่และโดนกัทุกคนเลยจนแบบหอนมีชื่ออยู่ทุกห้องเลยแต่มารวมกันนอนอยู่ที่นี่ยแล้วที่เขาบังคืนที่มาทํำไมลินที่ก็เริ่มมองหน้ากันแะ้ยูเขาบอกไม่อยู่แล้วเขาไม่อยากอยู่จนอีกวันเนี่ยเขาต้องไปขอลาออกจากหออืม เขาบอกไม่ได้นะถ้าออกจากหอนี่มันแบบน้ำดิตกอ่ะนี่คือเด็กฝีหนึ่งอะ่ะเขาอยู่เขาถึงานาะพูดว่าไม่ให้ไม่ให้ย้ายก็ออกอยอมลาออกเลยจากโรงเรียนจากมหาลัยเนะี่ยโอ้โหคือถ้าจะย้ายออกาจากหอนี่นคือต้องลาออกจากมหาลัยเท่านั้นเขาอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเขาอยู่ไม่ได้เพื่อนนี้ไหมเพราะเขามารู้ทีหลังว่าไอ้สามห้องที่ข่อมเขาว่าห้องที่มิ้งอยู่ห้องไว้เคื่อดนตรีไทยอ๋อ ห้องที่สองคือห้องแต่งตัวนางรําหุยแล้วเขาเป็นห้องที่สามและไปห้องที่สี่เป็นห้องเก็บเครื่องดนตรีประเภทเปิงมังนะแสดงว่าข้างห้องไม่มีใครอยู่เลยมันล็อกตลอดเลยแล้วเสียงอะไรที่มันดังทุกคืนนะเขารลยบอกเขาไม่อยู่แหละครับก็ต้องขอย้ายออกเรียนก็มีประมาณนี้ครับเรืเรื่อสั้นสั้นสิ่งที่เขาเห็นน่ะคนเนี้ยที่เป็นผู้หญิงก็ดีเด็กก็ดี ใครก็ไม่รู้มันมีประวัติความเป็นมายังไงก็ไม่รู้เขาไม่ได้เล่าให้ฟังใช่ไหมคือเขาบอกว่าประวัติเนี่ยเราพูดถึงประวัติได้เนาะครับเอาเอาเอาเอาเอาเอาเท่าที่พูดได้นะคุณคิงนาไม่มันเป็นเรื่องในโบราณเลยที่เกิดโบราณเลยครับเป็นการรบกันของผมจําไม่ได้ชื่อเท้าอะไรทุกอย่างเลยแต่เขาเรียกกันเท้าเท้าอะนะทางนู้นแหละแล้วเป็นสนามรบของเขาอืันนี้ว่าพวกเด็กเนี่ย ที่เขาปีนปีนขึ้นไปเนะี่ยเขาเชื่อร้อยเปว่าเป็นกุมารเขาเป็นกุมารอืเพราะว่าในสมัยก่อนการลกกันเนี่ยเขามีเด่นของเนกรถางเล่นกุมาเเรเล่นอรพวกนี้กันครับครับส่วนเรื่องของจะเป็นเสียงนู่นนี่นั่นที่เขาด้ยินอยู่ตลอดมันจะเป็นเสียงเติมบางดังครับเสียงคนแก่ที่คอยกตะคอกเวลาเขาเดินผ่า น, น, นเนี่ยเคารู้แล้วเป็นพวกครูดินไปีไทยแ น, น่นอนทำให้เขาไม่อยากอยู่แต่ผู้หญิงที่อยู่บนรูเออนั่นแหละที่ย่อนหน้าลงมานั่นน่ะ เขาบอกเขาไม่เคยฝึกเลยว่าเป็นใครแล้วเขาไม่สนใจไม่อยากจะรู้ด้วยเพาไม่อยากยุ่งเลยเ อ, อ๋อผมว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงนั้นผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับโบราณนะไม่รู้ดิมีความรู้สึกแปลกๆว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่คนโบราณอะ่ะแต่ผมมาคิดเอาง่ายๆว่าเอเอ่น่าจะเป็นสมมติ น, นะครับถ้าเป็นน<อ>ัดนตรีไทยหรํอร่าไทยอะไรที่แบบมีการเรียนการสอนตรงนั้นนะครับ แล้มีจิตถูกอยู่กับห้องที่เป็นชุดนตรีไทยอะพี่แจ็ก็แค่ข้ามฟ้ามาเองแล้วมาหาฉันอะเ อ, อ ใ, เออ ใ, ใ, ใ่เออใช่เออใช่ใช่เออเออเออมีสิทธิ์ที่จะที่จะอยู่กับดนตรีไทยชิ้นใดชิ้นหนึ่งใช่ครับเออแต่ที่ต้องข้ามฟ้ามามาทําให้เห็นมาทําให้ให้ให้ให้ห้องนี้รู้เพราะว่ามันคือห้องเดียวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างห้องทั้งหมดที่เป็นห้องที่มันเกี่ยวพันกับดนตรีไทย คือถ้าเรานับกันจริงๆอ่ะเรานับกันจริงๆเล่นๆนะซ้ายสองห้องเป็นห้องดนตรีเป็นห้องเกี่ยวกับดนตรีไทยถูกไหมแล้วก็็เปนห้องแรกนี่เป็นห้องแบบห้องครูพวกแก่และกระถิ่นพวกเนี้ยอห้องที่สองเป็นห้องเก็บชุดนางรำชุดแต่งตัวส่วนห้องที่สามเป็นห้องเขาอยู่อและห้องที่สี่เป็นห้องเก็บพวกดนตรีมางพวกเนี้ยแล้วคิดไหมว่าเขาเว้นไว้ทําไมเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ได้เป็นห้องพัก ตรงนี้ก็ได้ใช่เออเขาจะเว้นไว้ทาไมในเมื่อสองห้องแรกตริดกันเป็นห้องที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยถัดมามันกลายเป็นห้องพักและถัดไปมันเป็นห้องที่เกี่ยวกับดนตรีไทยอีกเ้ยใช่เอ อ, เ อ, อมันถึงมันถึงได้เป็นกิจสละอยู่ในใจเขาจนทุกวันเนี้ยแต่ด้วยความที่คณะนี้มันเย็นอยู่แล้วนะพี่ เขาบอกว่ารุ่นพี่ที่มาเป็นรุ่นพี่เขาก่อนหน้าแค่นิดเดียวเนี่ยตายก็ยังเงยี้นเหมือนกันเลยแล้ไปเยี้ยนอยู่ในคณะเนี้ไปเย็นอยู่ในหอพักนี้ด้วยครับคือน้องที่เขาเล่นพวกโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็กําลังหลังจากที่รุ่นพี่คนหนึ่งตายไปเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มคณะเดียวกับพวกเขาเนี่ยแล้วเขารูปออกมาโชว์กันถึงขนาดรุ่นพี่ในคณะสั่งให้ลบรูปนั้นทิ้งเลยครับ มีรุ่นพี่คนนึงผมสมมุติว่าเขาชื่อพี่เอกันละกันแตน่จริงๆเ่ยคุณยุ้งนะเขาบอกชื่อผมมาแล้วนามสกุลด้วยเขาบอกพี่ไปหาดูได้เลยได้คือประวัติได้ว่าคนนี้ตายไปยอยอางอเอายี้เลยแล้วเขาบอกว่ารุ่นพี่คนนี้สมมุติชื่อเอนะชอบสไตล์ ย, ย่ามแต่งตัวเหมือนแบบเนิร์ดๆน อ, อ, อ่ะอือออ่าทีนี้พอคนพี่คนนี้เขาไปรถชนตายครับเขาจะคุยกันในคณะว่าโอ้ยนู่นนี่นั่น คุยคุยมาแล้วบอกดีนะแกมันด้มาตายในคณะเราปกติมันเหี้ยนอยู่แล้วถ้ามาตายนี่ผม ว, ว่าคงอยู่กันไม่ได้อ่ะครับกล้องโทรศัพท์มือถือหล่นพื้นโปะแล้วมันถ่ายแชะซึ่งเขาไม่ได้เล่นรูปอยู่ไม่ได้เล่นแอปพลิเคชันรูปรมันเล่นอยู่พอเอามาดูเป็นพี่คนนี้ยยืนเอาเท้าอยู่บนเพดานแล้ว<ฮ>ห้อยหัวลงามามอง<ฮ>แต่ตัวนี่เขียวอีเลยนะเขาบอกรูปแนี้ย รุนพี่ในคณะสั่งให้ลบออกเลยไม่ให้เอาไว้เพราะว่าที่อยู่นี้มันก็ไม่ค่อยจะมีเด็กมาอยู่แล้วจนปัจจุบันนี้นะครับคุณยูเขาบอกว่าก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่มีใครอยู่อ๋อโอ้โหแต่ทุกอย่างคือทุกวันนี้เขาต้งเป็นกฎนั้นอยู่ป้าไปหนึ่งต้องอยู่หอหน ไม่รู้ี่แตเดีผให้รูปพี่ดูผมให้รูปพี่ดูแล้วพี่ผมรู้ว่าพี่แจ็คไม่เอารูปลงแล้วโอเคแต่ถ้าพี่ดูแล้วพี่ช่วยบอกเขาหน่อยในอาทิตย์หน้าว่าหอพักนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันน่าอยู่จริงเลยครับได้ฮะคือถ้ามันเป็นหอพักที่เขาเปิดใช้อยู่แล้วยิ่งเป็นในส่วนของราชการด้วยคงเอาลงไม่ได้ฮะมันไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังรบกวนไม่ต้องขอพวกเราทีมงานเดี๋ยวกวอสดูนะเดี๋ยวดูเสร็จปุ๊บผมจะรีบลบเลย อพราะเป็นว่าแก่ให้พี่แจ็คดูแล้วพี่แจ็คเลยบอกขันุเพื่อนๆทังบ้านว่าขอมันหน้าตัวขนาดไหนนี่ขนาดเขาถ่ายไว้ผมกลางวันนะผมเพยงบอกว่าอันเนี้ยฟันธงเลยถ้าอยู่เป็นไปนานน่ะว่าต้องมีการขายทายากกระโนตขาาแน่นอนเหมือนหอบคุใยายวรนาะนเลยอ้ยขนาดนั้นเลยโอ้ยอยากเห็นจังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรถควนคุณคิงส่งมาให้ดูหน่อยนะ <ด>รูเสร็จปุ๊บผมขออนุญาตลบทิ้งเลยนะคุณคุณผู้ฟังไม่ต้องมาขอพวกเราดูนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรูปหลุดไปเนี่ยโอ้โหเดือดร้อนไ ม, ไ, มไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับแต่ที่น่าแปลกใจอย่างที่ที่เมื่อกี้เราคุยเลยแหละคุณคิงคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของสี่ห้องเนี้ยที่มันมีโครงสร้างแปลกแปลกเออเว้นไว้ทําไมห้องเดียวเอาไว้เป็นห้องพักทําไมไม่จับไอ ห, ห้องพักเนี้ย ไ, ไ, ไปไปไปอยู่โซนอื่นหรือจับให้ อห้องพักนี้มันเป็นห้องเก็บของไม่ต้องให้คนไปพักไม่ต้องให้คนไปเช่าเลยก็ได้ถูกไหมครับเออเว้นไว้ทําไมไงมันมันแปลกตรงนี้ไงเนี๋ยผมส่งไปแล้วพี่แจ็คพี่ลองให้พี่บัตรเปิดให้ดูตอนนี้เลยแล้วพี่บัตรเปิดให้ดูโอเคได้แล้วพี่แจลองบอกบอกอารมณ์ตอนนี้พี่เห็นไหมว่าเป็นยังไงเลยเฮ้ยนี่หอพักเหรอได้เห็นไหมเห็นไหมนี่หอไหนเหรอจะให้นี่ ผมยังบอกเขาเลยบอกเนี่ยถ้าอยู่กันไปมาเนี่ยว่าเดี๋ยวต้องมีการาาขายทายญาติสาขาทางป า, า, งางกันบ้างนะใครดูเหอะผมไม่เรียกว่าหอนะเ <c oughs> ฮย้ยผมผมไม่รู้ดิคือจะใช้คาว่าอะไรดีวะ <c oughs> ผมไม่เรียกว่า <c oughs> หอ <c oughs> หอะของเลยมะพีเออผมผมว่านเหมือนก็ดังเหมือนโทษ น, นะโรงเพาะเหตุแบบหลังคากระเบื้องอะใช่ใช่โ อ, อ้โหเฮ้ย นี่ น, น, นี่นี่หอในเหะฮะใช่ครับเขาบอกเนี่ยเขาใช้น้องอชายเขาที่เรียนอยู่ในเนี้ยตอนเนี้ยน ะ, ะที่เนี่ยออืให้ไปถ่ายรูปส่งมาให้ดูน้องชายเขาบอกไปอีกเหรอเขาบอกมึงไปกลางวันก็ได้แล้วให้กูหน่อยถ้าไหนกลางวันน้องเขายังไม่ยอมจะไปเลยอะคือคําว่าหอในความคิดแว้บแรกของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นหอที่ที่แบบเป็นหอเป็นหอสูงสูงขึ้นไปแล้วเป็นตึกแถวแถวอะไรอันนี้ไม่ใช่นะฮะคุณผู้ฟัง ช, ชั้นเดียว เออชั้นเดียวอะ่ะคือแมว่าห้องติดดินอะครับผมใช่ชั้นเดียวบบห้องเช่าห้องแถวแบบแบบชั้นแยกชั้แถวหนึ่งอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้คือผมไม่อยากจะไปพลาดพิงเลย <c oughs> คิดง่ายๆว่าเหมือนเหมือนบังกะโลที่ปลูกอยู่ในเป็นที่พักบังกะโลอยู่ในสถานที่ที่ไม่น่าจะไปปลูกสร้างให้คนเข้าไปพักอ่ะ เออผมเรียกอย่างนั้นดีกว่าโอ้โหเฮ้ยเออไม่น่าเรียกว่าหอพ่บัดลบพี่บัดลบอ่านะครับเขาส่งมาตอนแรกผมถามใช่แน่นอนแล้วครัพี่ถ้าพี่มาหาผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูแถ้าไม่ใช่นะพี่จะทำอะไรก็ได้เขาบ่างนี้โอ้มันเป็นมันเป็นอย่าเรียกว่าหอฮะคุณคุณคุณผู้ฟัง มีชั้นเดียวนะฮะมีชั้นเดียวแล้วก็บางอันนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหลังหลังสั้นๆเล็กๆบางอันก็จะยาวอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับโรงเพาะเห็ดแต่เป็นหลังคามุงกระเบื้องอะ่ะผมเรียก <ผม S 1> อย่างเงี้ยนะบางก็มันงใส่อยู่นะนวิ<อ>จังว่ามันอาจจะเป็นกฎที่รุ่นพี่เขาตั้งขึ้นมาเองเพื่อบังคับรุ่นน้องรุ่นปต่อๆไปหรือเปล่าทำไมไอ้รุ่นพี่ที่มันอยู่มาก่อน ที่มันมาเที่ยวบังคับไอ้น้องเล่าแบนด์ดิบุรีให้สองมวนเนี่ยอะไรเงี้ยออืเขาบอกว่ามันจะย่องมาตอนกลางคืนนะครับแล้วมันเล่นรุ่นน้องในคณะเดียวกันนะมันล่นรุ่นน้องจะถามว่าทําไมมันกล้ามาตอนกลางคืน่ะแล้มันไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆเลยเขายังบอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าโกรธมันจะมาตอนรุ่นที่เขามาเรียนเขาอยากให้ในในคณะนั้มีเด็กมาอยู่ให้เต็มออแต่จากดูจากสภาพแล้วเนี่ยจะกี่กี่รุ่นกัเถอยยังไงมันก็ไม่เต็มถ้าเจออย่างที่หัว เออโหมันมันไม่น่าอยู่เอาจจริงๆแต่ทั้งหมดเลยคือต้องไปอยู่ด้วยภาวะจำยอมเพราะถูกบังคับจากกฎใช่ใช่นะฮะมีคนถามว่ามีรั้วด้วยไหมมีรันะ้รวรวัรว้วทาสีส้มใหม่เชียผมคิดในใจว่าจะทาทําไมสีระนะั้วเระไปทาตรงนั้นเถอะผมว่าดูชุ่มจะมีข้องพัเนีไยผมว่าอืไปทารัว้วไปทาอาคารดีกว่าเออไปทาบ้านดีกว่าเออเรียบเรียบบางอันเรียบเป็นบ้านได้คุณผู้ฟัง เออแนมีหลายหลังมีหลายหลังบางอันหลังแเล็กหลังน้อยแล้วก็บางอันเป็นแถวยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ฟังประมาณนี้ประมาณนี้เออนะฮะได้ครับคุณคิงนั่นคือเรื่องของน้องยุนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้คุณคิงฟังเรื่องของอยู่แบบจำใจตามชื่อเรื่องเลยครับจำใจจริงๆครับเออเป็นเรื่องท่านๆพี่คือผมตั้งใจจะมาขอบคุณทุกท่านที่แบบช่วยกันในการทําบุญบแล้วเมื่อวานนี้จรผมจะมาแต่เมื่อวานแล้วกับผมจโ ด, ดโลงโตะ๊ะราคาผมทิ้ง เอาผมก็เลยว่าเอาก็เลยไม่ได้เล่าพอประมาณสักห้าชั่งกว่าผมขาดพิ่ผมก็เลยถ้าเกิดว่ามันหายปวดก็จะเล่ า, อาพอดีกินยาแล้วก็มันไม่ไหวไงมันเริ่มจะชาแล้วงวนเงียละวก็เลยบอกพี่บัตรว่าขอเป็นผู้นี้อะไรเงี้ยแล้วเป็นไงบ้างดียุทธครับ ด, ด, ดีขึ้นพี่มันไม่ได้เป็นอะไรมากมายครับเพราว่าวตอนแรกที่มันเป็นจะใหม่มันจะชีตไง ระวังนะระวังที่เราแก่อายุนานไม่ใช่น้อยๆกันแล้วไงเราเราใชยังเข้าหา่กันจะกระโดดลงจากโต๊ะอีกนะดูตัวแล้วดูว่าจะแปละได้คุณคิงแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีงานบุญอะไรแบบนี้อีกบอกพวกเราด้วยนะช่วยกันครับครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่ขอบพรคุณเช่นเดียวกันอนุโมทนาสาธุด้วยครับอนุโมทนาครับขออนุญาติรูท่านะครับครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซ b s c ไ i b e c h ANNEL THE COAST RADIO OFFICIAL กันด้วยนะครับ